และอารยันมาจากไหนโน้นมาจากอิหร่านแต่ที่จริงมาก่อนอิหร่านอีกมันมาจากทางทะเลสาบเหนือขึ้นไปน้นเอาละเรามาเริ่มต้นที่อิหร่านอิหร่านเนี่ยนะคเขาวิเคราะห์ศัพท์ว่าเพี้ยนมาจากคาว่าอารยานันอิหร่านแปลว่า the land of the aryan อิหร่านเนี่ยจึงเป็นมุสลิมที่ต่างกับพวกมุสลิมอื่นมุสลิมในตะวันออกกลางส่วนใหญ่เป็นอาหรับ แต่ที่จริงไม่ใช่หมดต้องเข้าใจอ้าวเลยแทกนิดนะแทกองนิดแทกตอนออกกลางเนี่ยส่วนใหญ่เป็นมุสลิมแต่มียิวแทกอยู่มีศาสนายิวอยู่นิดหนึ่งอังนนี้ในแง่ชนชาติก็มีชนชาติอาหรับมากที่สุดใช่ไหมแต่อาหรับในที่จริงเป็นเซมิติกพวกหนึ่งและเซมิติกนี่ก็เป็นกลุ่มเดียวกับยิว เซมิติกพวกหนึ่งเป็นอาหรับเซมิติกพวกหนึ่งเป็นย mm ิวยิวก็เป็นเซมิติกเผ่าหนึ่งเซมิติกเหมือนกันยิว mm hmm. กับอาหรับเนี่ยแตกสองพวกนี่เข้ากันไม่ได้กลายเป็นคนละพวกกันเลยเพราะเหตุศาสนาก็คงต้องยอมรับอย่างนั้นนี่เราพูดตามข้อมูลตามที่มันเป็นเราไม่วิจารณ์ไม่มีความเห็นยิว mm hmm. นี่ก็มีน้อยแค่นิดเดียวไม่กี่ล้านคน อาหรับก็เยอะเป็นเซมิติกส่วนใหญ่ทีนี้นอกเหนือจากพวกอาหรับอยู่แล้วก็มีพวกเคิร์ดอีกอาระเคิร์ดก็ไม่ต้องถือสําคัญมีพวกหนึ่งที่สําคัญมากเพราะเคยเป็นชาติใหญ่คือเตอิกเติกได้เป็นคนละเชื้อชาติเลยคนะชนชาติคนละเชื้อชาติเติกนี่มาจากไหนนู่นมาจากอาเซียกลางเตกีสถานนูน้นอยู่ระหว่างจีนกับรัสเซีย อยู่เหนืออินเดียอยู่เหนืออัฟกานิสถานขึ้นไปนะคือภูเขาหิมาลัยเนี่ยมันกั้นระหว่างจีนอินเดียทิเบตอะไรมาตลอดพอมันจบมันก็ถึงจุดที่โผล่ระหว่างดินแดนอัฟกานิสถานปากีสถานเนี่ยขึ้นไปที่จะเดินทางไปจีนได้เปิดภูเขาหิมาลัยตรงนั้นตรงที่เปิดเนี่ยเป็นแดนต่อเนี่ยก็จะผ่านอาเซียกลางอาเซียกลางนี่แหละเดิมเป็นที่นิย่ของพวกเติร์ก แล้วพวกเติร์กเนี่ยถูกพวกอาหรับยกมาตีแผ่สไนซ์สลามมาเมื่อคอสอ700เจอกันทั้ทงรบชนะราชวงศ์ถังราชวงศ์ถังนี่ต้องถึงความสูญสิ้นเพราะอ่อนแอหลังจากถูกอาหรับรบชนะอาหรับเนี่รบชนะราชวงศ์ถังซึ่งยิ่งใหญ่มากนะก็ทําให้ราชวงศ์ถังทอนแคร่ตั้งแต่นั้นแล้วก็นํามาสู่ความสูญสิ้นราชวงศ์ถังเลย พวกอาหรับเนี่ยไปลบคอศ700เสเจ็ดรเศษแล้วก็ได้จับเอาพวกช่างฝีมือเช่นช่างทำกระดาษเป็นต้นไปอาหรับและพวกช่างจีนเหล่านี้ก็นำความรู้เรื่องการผลิตกระดาษเนี่ยไปเผยแพร่ให้แก่อาหรับและอาหรับก็นำไปสู่ยุโรปเนี่ยการทำกระดาษไปจากจีนโดยจับเอาพวกช่างจีนที่ไปลบที่อาเซียกลางนี่แหละ อาหรับก็ลบชนะจีนก็เลยล่นไปตอนนั้นจีนนี่มีอำนาจมากมาถึงอาเซียกลางนี่เกือบตลอดจีนนี่นไปติดดินแดนของตัวเองอาหรับคุยว่าตีเข้าไปถึงในดินแดนจีนเอ า, าะละแล้วดินแดนแถบนี้ก็เลยเป็นมุสลิมแทบหมดเลยอาเซียกลางก็แยกเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยมากมายแล้วพวกเตริรกนี้ต่อมาอีกไม่กี่ร้อยปีละ แกก็เข้มแข็งแกก็ลงมารับราชการในอาหรับไปเป็นทหารของพวกอาหรับแล้วต่อมาแกก็เป็นใหญ่เป็นสุลต่านพวกเติร์กเป็นสุลต่านของอาหรับเขามีสถาบันลิบการลิบนี้ใหญ่ที่สุดเป็นผู้สืบต่อจากพระศาสดาต่อมาพวกเติร์กดีไปรับราชการกับพวกอาหรับก็เป็นทหารใหญ่ขึ้นมามีอานาจคุมเลยเชิดการลิบการลิบไม่มีอานาจกลายเป็นหุ่นเชิด ก็เป็นใหญ่จนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเติร์ครอบงามพวกอาหรับหมดเลยในที่สุดก็ตั้งอาณาจักรใหญ่เขาเรียกว่าออตโตมานเติร์อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมุสลิมหมดเลยพวกไบแซนตีนพวกโรมันตอนออกพังพินาเพราะพวกเติร์พวกเติร์ก็ปกครองหมดอาหรับอารับจนกระทั่งในที่สุดก็ไปถอดการหลิบที่อียิปต์ออก แล้วก็ตัวเองเป็นทั้งการริเป็นทั้งสุลต่านเลยออโตมานเตอก์เนะยิ่งใหญ่มากอยู่ตั้งร้อยร้อยปีนะเนี่ยลงไปจากอาเซียกลางก็ไปใหญ่ในตอนออกกลางจากอาเซียกลางไปใหญ่ในตอนออกกลางพวกเติร์กนี่ต่อมาก็เสื่อมลงแล้วพอถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็ไปเข้ากับเยอรมันเยอรมันแพ้ตัวเองแพ้ด้วยเลยยุบ ป, ประเทศเหลือแค่ตุรกี ตุรกีก็คือเตอรกีเตอรกีก็คือดินแดนของพวกเตริร์เขาคือเตอร์ที่ไปจากอาเซียกลางก็เหลือแค่นั้นเองพวกอาหรับก็ตั้งตัวเป็นใหญ่ขึ้นถอนตัวพ้นเป็นอิสระจากพวกเตริร์ตอนนี้อาหรับก็ถือตัวว่ากลับได้อํานาจคืนอาหรับก็เป็นใหญ่แต่ว่าเติร์นี่ไม่รู้เขาแค็งอะไรขึ้นมาเขาเคยเป็นใหญ่ในอาณาจักรมุสลิมทั้งหมดพอเขาตั้งประเทศตุรกีได้เขาปลดการหลีก ปลดสุลต่านหมดแล้วเลิกใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการแล้วก็เลิกใช้เสื้อผ้าเครื่องนุงห่มแบบที่เป็นวัฒนธรรมของมุสลิม ท, ที่จริงเป็นของอาหรับเลิกหมดเลยหันไปใช้แบบตะวันตกหมดเลยตุรกีนี่ปัจจุบันก็ยังมีศาสนกเป็นมุสลิม9กเป็นแต่แปลกที่สุดกว่ามุสลิมประเทศอื่น ห้ามแต่งชุดฮิญาบรู้จักฮิญาบไหมฮิญาบก็คือชุดคลุมศรีรษะปิดหน้าผู้หญิงปิดหน้าคลุมศรีรษะเขาเรียกว่าชุดฮิญาบในประเทศตุรกีห้ามถ้าแต่งในบ้านตามถนนพอได้แต่ถ้าเข้าสถานศึกษาหรือสถานที่ราชการถูกจับนี่ประเทศมุสลิมนะเคยมีเรื่องให้ตีความรัฐม น, นูลคือสารรัฐม น, นูญสารรัฐมนูญ วินิจฉัยมาว่าถ้าแต่งฮิญาบผู้หญิงสตรีคลุมหัวคลุมอะไรเนี่ยผิดรัฐธรรมนูญเอาอย่างนั้นเลยตรงข้ามกับประเทศอิหร่านอิหร่านนี่ปกครองเป็นอิสลามิกริบับลิกเป็นสาธารณรัฐอิสลามใช้กุรานเป็นรัฐธรรมนูญใช้คำพีกุรานเป็นรัฐธรรมนูญเลยแต่ตุรกีนี่ตรงกันข้ามเลยแต่งชุดฮิญาบผิดรัฐธรรมนูญเคยมี คุณผู้หญิงคนหนึ่งในราวปีคศ ส, สักห9ักได้ประมาณนั้นแกสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นสอสอก็หาเสียงแต่งชุดนี้ตลอดเขาไม่ว่าเพราะแต่งไปตามถนนตามบ้านเขาไม่ว่านี่พอแกได้รับเลือกตั้งมาเป็นสอสอวันเปิดประชุมสภาแกก็แต่งชุดฮิญาบเข้าไปพอโผล่เข้าไปในสภาทนนั้นนะสมาชิกคนอื่นซึ่งแต่งชุดสากลแบฝรั่งเนะี่ย โลกคือมาไล่แก่ละชี้หน้าชี้ตาว่ากันนานจนในที่สุดเจ้าหน้าที่ต้องมาเอาตัวแกออกไปแล้วรัฐบาลเอาเรื่องต่อจงกระทั่งว่าถอนสัญชาตินี่ประเทศตุรกีเอาขนาดไหนประเทศมุสลิมนะก็แสดงว่าประเทศตุรกีไม่ได้ถือว่าการแต่งฮีญาเป็นวัฒนธรรมมุสลิมเ mm hmm. ขา อ, อาจจะถือว่าเป็นวัฒนธรรมอาหรับหรือไงก็งไม่ทราบนะก็เนี้ยเยเราต้องรู้ตุรกีนี่ เป็นเติร์กมาจากอาเซียกลางแล้วก็อยู่กับพวกอาหรับว่าไงท่านจะถามเลยฮะตุรกีนี่เขาทานเล่าได้ด้วยเป็นมุสลิมที่นานหลือเอาก็เขาเอาวัฒนธรรมฝรั่งเลยคือใช้ระบบตวันตกหมดบิดาแห่งประเทศเขาชื่อเคมานอตาเติร์ก e เป็นบิดาแห่งชาติเลยเนะีอยเพราะทําให้ประเทศตุรกีรอดพ้นจากการแตกสลายมังั้นหมดเลยชาตินี้ เพราะว่าแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเคมาเนอตาเติกนี่รวมประเทศไว้ได้แต่ว่าพวกอาหรับก็ถอนตัวออกเป็นอิสระหมดตอนนั้นพวกอังกฤษเนี่ยมายุยงพวกอียิปต์เป็นต้นให้เป็นอิสระขึ้นมาพราะเติกไปเข้ากับเยอรมันก็ต้องให้พวกเติร์กนีแพ้ก็มายุพวกอาหรับให้ตั้งตัวเป็นใหญ่พวกเติรก็แย่สิลลาละห ล, ล, ล, ล, ลังต้องลบทั้งหลายด้าน น, นี่แหละ เติร์ก็เลยกลายเป็นมุสลิมที่ไม่เข้าพวกเลยอันนี้เป็นเผ่าแล้วเผ่าใหญ่เลยนะมาจากอาเซีกลางเติร์แล้วก็เมื่อกีบอกอาหรับแล้วก็มีพวกเคิร์ดนั่นก็มุสลิมก็อยู่ทั้งในตุรกีทั้งอิรานทั้งอิรักทีนี้ก็มาอิรานเนี่ยที่เป็นอารยันนไม่ใช่อารับทีนี้อิรานเนี่ยในมุสลิมซึ่งแยกเป็นสองนิกายใหญ่เป็นนิกายซุนีกับนิกายชีอา ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรจะรู้ว่าประวัติเป็นแบบยังไงแต่ผมจะไม่เล่าเลยเอาง่ายๆว่าปัจจุบันเนี้ยสุนีเป็นนิกายที่ใหญ่กว่าส่วนใหญ่ในตะวันออกกลางก็เป็นนิกายสุนีซึ่งเป็นนิกายที่ตั้งต้นที่ซีเรียมีกาลิแห่งดามัสกัตซึ่งตั้งตัวขึ้นเป็นใหญ่ตั้งราชวงศ์แรกของอาหรับเป็นราชวงศ์กาลิเขาเรียกกาลิเฟตอ น, นี้ของพวกตุรกีเป็นรัฐสุลตา่านเขาเรียกสุลต่านเนธ พวกดามัสกัสก็เริ่มเป็นต้นวงของพวกซุนีแล้วทีนี้ต่อมาอีกพวกคือพวกชีอาถือว่าพวกตัวนี้ถูกแย่งชิงกาลิเฟตไปนีกาชีอาเนี่ยผู้นําตอนต้นก็อยู่ในสายของกาลิบนี่แหละได้เป็นกาลิบที่สชื่อว่ท่านอาลีท่านอาลีเนี่ยก็เป็นบุตรเขยของพระศาสดามะฮามัดท่านเป็นบุตรเขยใหญ่ เพราะว่าพระมหมามั์ท่านมีพัญญาท่านแรกเป็นแม่ไม้และเป็นผู้ประทับํารุงท่านแล้วลูกชื่อฟาติมาเนี่ยได้แต่งงานกับท่านอาลีแล้วท่านอาลีก็เป็นเขือใหญ่เป็นเขือคนสําคัญเลยซึ่งหวังว่าเมื่อท่านาศาสดาหมหามั์สิ้นเนี่ยจะได้เป็นกาลิบเป็นผู้สืบต่อกาลิบเป็นซักเซเซอร์ผู้สืบต่อแต่ว่าพระมหมามั์เนี่ยเมื่อพัญญาท่านแรก ท่านสิ้นไปแล้วท่านได้แต่งงานมีพัญญาทั้งหมดเก้าท่านก็มีพ่อตาหลายท่านอันนี้พ่อตาบางท่านก็สำคัญมากมาเป็นคนใกล้ชิดมารับราชการมาเป็นแม่ทัพช่วยรบอะไรต่างๆช่วยกันในงานของการปกครองอันนี้พอพระมหามัฏท่านสิ้นท่านอาลีซึ่งหวังจะได้เป็นการิกลับไม่ได้เป็นพ่อตาที่ใกล้ชิดซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่า ได้เป็นก็เลยเป็นการหลิบท่านที่หนึ่งอบูบากะต่ อ, าต ний, อาตมาท่านที่หนึ่งสิ้นไปแล้วท่านอาลีก็หวังจะได้เป็นไม่ได้เป็นอีกพอตาท่านที่สองเป็นอีกพอท้อตาท่านที่สองเป็นท่านอาลีก็รอก็หวังจะได้เป็นพอคนที่สามไม่ได้เป็นอีกลูกเขออีกท่านหนึ่งมาเป็นท่านกาลีก็รอรอไปถึงท่านที่สามสิ้น ท่านอาลีได้เป็นท่านอาลีก็เลยได้เป็นกาลิบที่4แต่ตอนนี้พวกหนึ่งสายของกาลิบก่อนเนี่ยก็ไปตั้งวงกษัตริย์ที่ดามัสกัส ท, ที่ซีเรียประกาศตัวเป็นกาลิบแข่งกับท่านอาลีก็เลยต้องรบกันในที่สุดท่านอาลีก็ยอมว่าต้องค่อยพิสูจน์กันทีอีตอนนี้ก็เลยท่านอาลีก็เลยถูกฆ่าถูกคนที่เคยจงรักภักดีฆ่า คนที่จงรัก Leonard พักดีเนี่ยตอนแรกช่วยท่านจะไปลบกับฝ่ายดามัสก um. ัสพอท่านยอมว่าไม่เป็นไรเรายังไม่ต้องเป็นก็ได้ให้มาพิสูจน์กันก่อนคนที่พักดีแต่ท่านพวกเนี้กลุ่มเนี้โกรธแค้นมากบอกเราจะฆ่าทั้งสองฝ่ายเลยก็เลยฆ่าท่านอาลีเลยพอฆ่าท่านอาลีจบดามัสกัสก็ประกาศตัวขึ้นเป็นการหลิบเต็มที่เป็นต้นวงกษัตริย์คราวนี้กาลีก็สืบต่อโดยวงกษัตริย์เลย ท่านอาลีสิ้นอายุลูกท่านอาลีมีสองท่านชื่อฮัตสันกับฮุสเซนก็ตายทีละคนฮุสเซนนี่เป็นคนที่สองคนน้องพูมีลูกน้องเยอะที่พักดีก็พยายามจะรบชิงกรดามัสกัดแต่ในที่สุดถูกฝ่ายดามัสกัดหลวงล้อมฆ่าตายหมดเลยพอท่านฮุสเซนถูกฆ่าตายพวกลูกศิษย์บริวารของท่านฮุสเซนเนี่ย นับถือท่านอาลีมากก็โกรธแค้นพวกดามัสกัตมากก็เลยแยกตัวมาเป็นนิกายหนึ่งเรียกว่านิกายเชี่ยแล้วพวกนี้ก็ยอมรับแต่ท่านอาลีและก็ฮัสซันฮุสเซนว่าเป็นกาหลิบที่แท้ท่านอื่นไม่เอาเท่านั้นทที่หนึ่งที่สองที่สาอะไรไม่เอาเท่านั้นก็เลยกลายเป็นคนละนิกายถือว่าตั้งแต่ท่านอาลีท่านฮุสเซนอะไรก็เป็นนิกายเชี่ย นิกายชีอะเนี่ยเข้ามาเมืองไทยบางทีเราเรียกว่านิกายเจ้าเซนสมัยก่อนที่ฝั่งทนเนี่ยมีอยู่กลุ่มใหญ่พอถึงเดือนมหารัมเดือนสําคัญของศาสนอิสลามก็จะมีพิธีลําลึกถึงท่านฮุดเซนแขกเจ้าเซนก็คือที่นับถือท่านฮุดเซนเอันนี้พวกเจ้าเซนกับเต้นแสดงความข้างแค้นเอาโซ่ฟาดตัวเองฟาดหัว ตีอกชอกหัวให้เลือดออกแสดงความข้างแค้นต่อฝ่ายดามัสกัสก็คือฝ่ายซุนีก็เป็นอย่างนี้มาตลอดจะต้องทําอันนี้มีพิธีที่จะต้องทํำลายตัวเองเพื่อลาลึกถึงความข้างแค้นที่ถูกฝ่ายดามัสกัสทําลายก็เลดแยกเป็นสองนิกายนิกายชีอะปัจจุบันนี้ประเทศที่มีศาสนิกมากที่สุดเกือบเต็มร้อเเซก็คืออิรานอิรานนี่เป็นนิกายชีอะและอิรักนี่ ที่จริงมีชีอะประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์ซุนีเป็นข้างน้อยแค่สักสากว่าเปอร์เซ็นต์แต่ตอนที่ซัดดัมฮุสเซนเป็นใหญ่ซัดดัมนี่เป็นซุนีก็ได้ทําให้พวกซุนีซึ่งเป็นข้างน้อยเนี่ยเป็นใหญ่ในนี้ก็เป็นเรื่องระหว่างนิกายซึ่งถ้าเราศึกษาเข้าใจแล้วเราจะมองอะไรแต่ อ, อะไรออกเอาละครับเนี่ยก็เป็นเรื่องของตะวันออกกลางซึ่งมีาศาสนายิว แล้วก็ศาสนาอิสลามก็สองนิกายซีมีซุนีกัชชิอะและโดยเชื้อชาติก็มีทั้งยิวการอาหรับซึ่งเป็นเซมิติกแล้วก็มีเตกซึ่งมาจากอาเซียกลางแล้วก็มีอารยันพวกอิหร่านเนี่ยคนเราเนี่ยมันจะมีปัญหาแตกแยกกันโดยศาสนาบางโดยเชื้อชาติบางไม่รู้จักจบปัญหาเรื่องสันติภาพอะไจะแก้ต o n เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องคิดกันให้มากว่าทํำยังไงมนุษย์เจริญมาว่ามีอะไยธรรมยังแก้อะไรเรื่องนี้ไม่ได้เลยมีตะเบียดเบียนกันหนักเข้าไปเอาละครนี้ก็แทรกเข้ามาทีนี้เมื่อกี้พูดอะไรนะที่มาพูดเรื่องนี้ก็คือพูดว่าอิหร่านเนี่ยเป็นแดนเดิมของพวกอารยานันเอากลับมาที่นี่ใหม่เอาละพวกอารยันก็มาตั้งตัวที่อิหร่านพวกหนึ่งก็อยู่ที่อิหร่าน ก็เป็นอาณาจักรโปเซียโปเซียนี้เรียกชื่อตามกรีกฝรั่งเรียกโปเซียมาเรื่อยจนกระทั่งมายุคหลังนี่เขาเรียกชื่อกลับไปเป็นอิหร่านพวกอารยันนี่ก็บุกมาจากอิหร่านพวกหนึ่งก็ปกครองอิหร่านที่เป็นอาณาจักรโปเซียสมัยก่อนนี้จั ก, กรวรรดิโปเซียนี่ใหญ่ยิ่งเลยนะแล้วมาถูกอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยตีแตกอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยเป็นตัวพิชิตอนาณาจักรโปเซีย แล้วก็ตีเข้ามาสู่ชมพูทวีปอันนี้อารยันพวกหนึ่งก็ปกครองที่อิหร่านคือโปเซียพวกหนึ่งก็ยกทัพมาตีทางอินเดียอินเดียนี่เป็นดินแดนที่มีอารยธรรมโบราณเขาเรียกว่าอารยธรรมลุมแมนามสินทุเรียกตามศูนย์กลางใหญ่สองแห่งที่ไปนค้นพบซากสิ่งเหล่านี้เขาเรียกโมเฮนโจดาโรและฮารัป่าก็สันนิษฐานกันว่าอารยธรรมเก่าก่อนพวกอารยันมา คืออารยธรรมลุมมาน้ำสินธุเนี่ยเขาเจริญอยู่แล้วเขามีบ้านมเมืองอยู่แล้วเจริญมากเกิดก่อนคริสต์ศาวรนาประมาณ 2,500 ปีแล้วคนพวกนี้ก็เรียกชื่อต่างๆเป็นมิลลัคขาบั่งเป็นทัศยุเป็นอะไรอะไรอารยันยกธรพมาจากอิหร่านก็มาลบกับพวกนี้แล้วก็ตีพวกนี้แตกเมื่อประมาณ 1,500 ปีก่อนครอส ก็หมายความว่าพวกอารยธรรมลุมินามสินทุของอินเดียเนี่ยเจริญอยู่ประมาณพันปีนะสองพปีก่อนคศถึงหน0่ปีหน0่ปีก่อนคศพวกอารยันก็บุกมาจากอิหร่านมาตีพวกอารยันนี่ก็มีเทพเจ้าสําคัญชื่อว่าพระอินทเคยได้ยินแน่นอนพระอินทนี่แหละเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของอารยันเดิมพระอินทนี่เป็นนักรบ เป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่มีตำนานในอินเดียเทวาสุรสงครามเทวดารบกับอสูรก็หมายความดินแดนแถบนี้แต่ก่อนนี้อสูรอยู่แล้วก็พระอินทร์ก็มารบพระอินทร์ก็เป็นเทวดาพวกอสูรนี่เขาเรียกกับบุพเทวานแปล ว, ว่าเทวดาเก่าเทวดาเก่าก็ถูกเทวดาใหม่ตีแตกเทวดาใหม่ก็พระอินทร์กับพวกพอตีแตกแล้วก็เข้าครองงามก็เอาพวกเก่าพวกทัศยุเนี่ยเป็นท่าน แล้วระบบวันณนะก็เกิดขึ้นมาเนี่ยตอนนี้น่าสังเกตเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เดิมในยุคอารยันที่กำลังเร่ร่อนยกทัพถือการลบเป็นสําคัญเนี่ยพระอินทร์เป็นใหญ่พออารยันเข้าครองชมพูทวีปได้รบชนะอารยธรรมลุ่มน้ําสินธุเข้าครองอยู่ที่และตอนนี้พระอินทร์ชักอับรัศมีพระพรหมขึ้นพระพรหมก็ขึ้นมากับพวกพราหมณ์ เนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับระบบวันนะก็ ค, คือพรามเนี่ยเป็นพวกปัญญาชนเมื่อตั้งดินแดนอยู่กับที่ได้แล้วพวกพรามเนี่ยชักใจใหญ่ตอนที่กำลังรบเนี่ยพวกนักรบจะใหญ่ใช่ไหมพอตั้งเมืองตั้งไรได้อยู่สงบแล้วทีนี้พวกปัญญาชนชักใหญ่นี้พวกพรามก็ใหญ่ขึ้นมาพระอินทร์ชักอับรัสมีพระอินทร์ชักมีตำนานเป็นเรื่องเสียหายประพฤติไม่ดีเป็นชู้กับปัญญาพระฤาษี ตอนหลังนี่พระอินทร์ไม่ค่อยสำคัญแล้วพระอินทร์นี่พระนามหนึ่งว่าสหั ส, สไสยแวบท่าพันตามีเรื่องว่าเดิมไม่ใช่ชื่ออย่างนั้นก็ตำนานของอินเดียกันแหละก็คงจะฝ่ายพวกพรามคงจะแต่งเพื่อจะลดเกียริพวกฝ่ายนักรบซึ่งเป็นวันนักษัตย์คือตอนนี้เขาจะตั้งระบบวันนัแหละก็มีเรื่องว่าพระอินทร์เนี่ยมาเป็นชูกับพัญญาพระฤาษีพะระฤาษีมีพัญญา พระโคตมะรุษีมีพัญญาแล้วพระอินเนี่วมาเป็นชู้กับพัญญาพระรุษีพระรุษีนี่มีเดชมีอำนาจมากก็ตาบพระอินขอประธานอภัยนะจะถือเป็นการหยาบให้มีอวัยวะเพศของผู้หญิงขึ้นเต็มตัวพระอินก็เลยชื่อว่าสหัสยโยนีพระอินลาบากมากไปไหนก็อายเขาเลยต้องมาขออภัยลุกกระโทษกับโคตมะรุษี พระโคตมะลูสีก็ยกโทษให้แล้วเนลมิตใหม่ให้เป็นสหัสไัยเปลี่ยนอวัยวะเพศนั้นเป็นตาแทนก็เลยเป็นท้าพันตาไปเปลี่ยนชื่อเป็นสหสสไัยอันนี้อาจจะเป็นยุคเริ่มต้นที่พวกพราหมณ์ชักจะเป็นใหญ่ตอนนี้เราจะได้ยินเรื่องตำนานที่เกี่ยวกับพวกลูสีเนี่ยบัมเพนตบะแข่งกเทวดาอย่างในเรื่องรามเกียรติเนี่ยจะพบ ก็คือเป็นยุคแข่งอํานาจกันจะเห็นว่าพวกฤาษีซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยบำเพ็ญตบะยิ่งใหญ่มีอานาจเก่งกว่าเทวดา น, นขทานนี้เต็่เก่งกว่าพระอินทร์เลยพวกฤาษีนี่ก็ขึ้นต่อพระพรหมปลายเป็นเทพองค์ใหม่ขึ้นมาแล้วคือพระพรหมพระพรหมนี่เป็นผู้สร้างผู้บรรดาลโลกแล้วก็สร้างวันณั่สีขึ้นมาตอนนี้วันณั่สี่ชัดขึ้นมาในยุคที่เข้ามาอินเดียแล้ว พราหม์ก็ถือว่าพราหมณ์เป็นวันนะที่หนึ่งนะเขาไม่ได้ถือกษัตริย์หนึ่งนะพราหม์เป็นวันณะใหญ่ที่หนึ่งสองกษัตริย์สมแพทย์แล้วก็สสูตรสูตรก็คือพวกทัศยุพวกอารยธรรมเดิมที่เขาจับเป็นทานสันนิษฐานว่าเป็นอย่างนั้นนี่ก็คือระบบวรนนะเกิดขึ้นแต่พวกศาสนาพราหมณ์เขาไม่ได้บอกว่าวันณะเกิดขึ้นจากเรื่องวิวัฒนาการทางสังคมแต่เขาบอกว่าพระพรหมท่านจาัดสรรมาเสร็จ ก็คือมนุษย์พวกหนึ่งเกิดจากปากพระพรหมเป็นพรามณ์เกิดจากพระปาหาของพระพรหมแขนพระพรหมเป็นนักรบก็เป็นกษัตริย์เกิดจากพระโสณีต่พวกขาเดินทางก็เป็นพวกพ่อค้าเป็นแพทย์แล้วเกิดจากพระบาทของพระพรหมรับใช้เขาก็เป็นสูตรนี่ก็คือระบบวันณะตามคําสอนของสอนนะพรามสอนนะพรามก็ขึ้นเป็นใหญ่ ศาสนาพรามก็หนึ่งผู้พระพรหมเทพเจ้าเป็นใหญ่สูงสุดสร้างวันดานทุกสิ่งทุกอย่าง 2. มีวันละสี่ซึ่งพระพรหมท่านสร้างมาเกิดมาอย่างไรต้องเป็นอย่า ง, งานั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 3. ต้องบูชายันต้องอ้อนวอนบวงสวงเทพเจ้าจึงจะได้สมปรารถนาและพ้นภัยพิบัติแล้วจะบวงสวงได้ก็ต้องอาศัยพราหม์พราหมณ์จะเป็นผู้ประกอบพิธีให้พรามณ์จะเป็นผู้สื่อกับพระพรหม พราบเป็นผู้สื่อความเพ ร, ปรป่มเพราะท่านใครต้องการอะไรก็ต้องมาติดต่อพราหมณ์ท่านจะได้บอกได้ว่าเออเธอต้องการอะไรเธอต้องการเรื่องนี้อ๋อต้องบวงสรวงบูชายัญด้วยวัตถุด้ว ย, ววยของสิ่งนี้ด้วยสัตว์ชนิดนี้เท่านี้อะไรเน่วิธีการพิธีกรรมทําอย่างนี้อย่างนี้ฉันจะจัดให้เสร็จแล้วก็ให้ค่าทักษินาทำว่าทักษินาเนี่ยเดิมคือค่าทำพิธีบูชายัญแล้วพุทธศาสนาเรามาเปลี่ยนใหม่หมด ทักษินาเนี่ยเดิมเป็นฆ่าทมวิธีบูชายันก็คือระบบพราหมณ์เกิดขึ้นพระพรุมนี้เป็นใหญ่ก็แปลว่านุกนี้พวกอารยันเข้ามาอินเดียแล้วตั้งแต่ประมาณก่อนคศ 1,500 ปีเอาแลักษณสนาพราหมณ์ก็ยิ่งใหญ่มาตลอดจนกระทั่งมาถึงก่อนคศออเนี่ยรา600ปีก็เอาเลขท่วนๆว่า500ก็แปลว่า 2,500 ปีก่อนคริสตศักราชเกิดอารยธรรมลุ่มน้ำสินธุ พั0หปีก่อนคริสต์ศักราชพวกอารยันมาศาสนาพราหมณ์ก็เป็นใหญ่แล้วก็ก่อนขศในราว500ปีพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ทําให้ศาสนาพราหมณกก็ทื่นอย่างหนักแล้วก็ศาสนาเชนก็เกิดตอนนี้ด้วยทั้งสอศาสนานี้ไม่เอาเลยไม่ถือพระพรหมเป็นใหญ่ไม่ยอมรับพระเวทศาสนาพราหมณ์ถือพระเวทเป็นใหญ่พระเวทนี้เป็นสิ่งที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นคําของพระพรหม แล้วพราบไปพูรักษาพระเวทยังสูตรนี่เรียนพระเวทไม่ได้มีบัญญัติต่อมาว่าคนวรนนสูตรฟังพระเวทให้อดตะโกน ล, ล้อมยอดหูมันทศชาทยายพระเวทให้ตัดลิ้นมันเสียถ้าเรียนพระเวทให้ผ่ากายมันเป็นสองสี่เนี่ยฟูขาดหมดการศึกษาเล่าเรียนก็แปลว่าเทพผููเป็นใหญ่พระพรหมะบูชายันรบวันนสัสสี่แล้วก็พระเวทพระเวทสามแล้วมาเป็นสี่เนี่ย นี่เรื่องใหญ่ของสอนน้พราม พ, พระพุทธเจ้าพอสอนปั๊บก็ปฏิเสธหมดทุกอย่างหนึ่งพระพรหมไม่ใช่เป็นใหญ่ผู้สร้างโลกสิ่งที่ใหญ่ที่สุดคือธรรมธรรมคือธรรมดาของสิ่งทั้งหลายคือความจริงกฎธรรมชาติความเป็นไปตามธรรมดาริสนตามเหตุปัจจัยเปลี่ยนจากเทพสูงสุดเป็นธรรมสูงสุดพุทธศาสนามาปั๊บจะเรียกว่าปฏิวัติได้เลยที่ว่าเจ้าชายชิตถะประสูตรปั๊บ อโคมสมิโลกัสเราเป็นผู้เลิศเราเป็นผู้ประเสริฐเป็นพี่ใหญ่แห่งโลกก็นี่คือคําของพระพรหมเดิมครัพระพรหมนี้เป็นใหญ่พระพุทธเจ้ามาประกาศว่าเรามนุษย์นี่แหละเป็นใหญ่พระพุทธเจ้าประกาศอิสรภาพให้แก่มนุษย์ก็เอาละเปลี่ยนจากเทพพระเจ้าสูงสุดคือพระพรหมเป็นใหญ่มาเป็นธรรมเป็นใหญ่แล้วก็ปฏิเสธพระเวทหมดพระเวทสามก็เปลี่ยนมาเป็นวิชาสามใช้ศัพท์เดียวกันด้วยบาลีใช้เตวิชา แล้วก็วันนะสี่พุทธศาสนาไม่ยอมรับเลยใครมาบวชนี่สลัดวันนะหมดแล้วใครบวชก่อนไม่ว่าเป็นวันณะไหนก็ถือเป็นพี่บูชายัญยิ่งไม่เอาเลยให้เปลี่ยนความหมายให้มาสมเคราะห์กันในสังคมแทนที่จะบูชายันไปบวงสูงขอผลจากเทพเจ้าก็ให้มาสลัดรัพย์ช่วยเหลือกันระหว่างมนุษย์บำเพ็ญทาแทนบูชายันเนี่ยพระพุทธเจ้าปฏิเสธหมด พุทธศาสนาเกิดขึ้นศาสนาพระก็กระเถอนมากคือตอนนี้พระพรมยังเป็นใหญ่เป็นคู่แข่งกับพุทธศาสนาแต่ว่าแย่แล้วตอนนี้ง่อนเง่นตอนนี้ยังไม่มีพวกพระนารายพระอิศวนไม่ได้ยินชื่อในสมัยพุทธกาลถ้าจะมีชื่ออยู่บ้างก็แค่คล้ายกันอย่างเช่นพระนารายเนี่ยชื่อหนึ่งที่อินเดียนิยมเรียกว่าพระวิศณุพระนารายเขาหนิยมเรียกพระวิศนุ ทีนี้พระวิศณุเนี่ยเราจะได้ยินชื่อหนึ่งที่คล้ายๆคือพระวิศุกรรมเคยได้ยินไหมพระวิสุกรรมวิสุกรรมเนี่ยมาเป็นวิศวกรรมพระวิสุกรรมเนี่ยท่านเป็นเทวดานักก่อสร้างเรียกว่าเป็นมือขวาของพระอินทร์เลยว่างั้นเถอะพระวิสุกรรมนี่เป็นเทวดาช่างที่ยิ่งใหญ่พวกวิชาช่างลราก็เลกมาใช้เป็นวิชาววิศวกรรมวิสุกรรมเป็นวิศวกรรม แล้วบางทีเป็นวิศณุกรรมขณะนั้นคําว่าวิศนุเนี่ยคล้ายๆกับคําว่าวิษุซึ่งเป็นเทพเจ้าซึ่งในสมัยพุทธกาลยังเล็กอยู่ถ้าอาวิษนุแท้นี่ไม่มีความสําคัญอะไรแล้วก็พระศิวะหรือพระอิศวนที่เขานิยมของอินเดียเรียกว่าศิวะพระศิวะพระอิศวรก็ไม่ได้มีชื่อแต่เป็นคําเรียกอย่างอื่นตอนนั้นยังไม่มีอะไม่สําคัญทีนี้ต่อมาเมื่อพุทธศาสนาจะเลยลุ่งเรือง พรามนี่งอนแง่นลําบากมากตั้งตัวไม่ติดมานานนจนกระทั่งพระเจ้อาอโศกรดพระเจ้อาอโศกก็มานับถือพุทธศาสนาเลยหนักคึ้นไอีกทีนี้พระเจ้อาอโศกนี่เป็นหลานของพระเจ้าจันทรคุปต์ตอนนี้ท่านอาจจะสับสนเรื่องิศาสตร์ <c oughs> ก็ต้องย้อนไปเล่าเรื่องเก่าก็คือว่าประมาณสามยยีปีก่อนคริสตศักราชพระเจ้าแผ่นดินกรีกกรีเพิ่งเมสิโดเนียนน่ะ มีชื่อว่าอเล็กซานเดอร์ตั้งตัวใหญ่ขึ้นมาก็แผ่อํานาจจากเมซิโดเนียแล้วก็ตีได้หมดตีอียิปต์ได้ด้วยอียิปต์ก็ได้เป็นศูนย์กลางของอารยธรรมกรีกชื่อเมืองยิ่งใหญ่ชื่อว่าเมืองอเล็กซานเดรียเป็นศูนย์กลางอารยธรรมกรีกอเล็กซานเดอร์ตีมาล้มอาณาจักรเปเซียแล้วก็เข้ามาครองโยนกคืออัฟก า, านิสถานแถวแถวเมืองมาซาชารีบ มาซาชารีฟนี่ตอนที่ทาริบัลรบอเมริกันเป็นป้อมใหญ่ของพวกทาริบัลรบกันหนักที่มาซาชารีฟเนี่ยอันนี้เป็นแถวแถวศูนย์กลางของอาณาจักรโยนกกรีกก็เลยมาเป็นใหญ่ในโยนกพระเจ้าเล็กซ์นเดอร์สนตีอาณาจากักรตอร์เซียมาขึ้นมาตีโยนกได้แล้วก็เข้ามาที่เมืองตักกัสลาเตรียมยกทัพเข้าตีอินเดียแล้วตอนนี้ก็เจอกระจันทะลคุ ป, ปปู่พระเจ้าโรก ปู่พระเจ้าโศกจะตั้งตัวเป็นใหญ่ตอนนั้นมคตก็เป็นใหญ่ในอินเดียเป็นอาณาจักรของกษัตริย์ละโงนันทะจักทรคุปนี้ก็จะล้มระชงนันทะก็เอาไม่ลงพออเล็กซานเดอร์มาอเล็กซานเดอร์กับจันทรคุปก็มาคิดสมคบกันจันทรคุปก็คิดว่าถ้าเราได้ความร่วมมือจากอเล็กซานเดอร์ก็จะตีละโงนันทะลงได้อเล็กซานเดอร์ก็คิดแบบเดียวกัน ถ้าเราได้พวกจันทรคุป ม, มาช่วยนี่ก็อาจจะตีละชงลันทะลงได้ก็เลยนัดพบกันที่ชายแดนที่ค่ายของอเล็กซานเดอร์แต่มามีปัญหาเรื่องใครจะเคารพใครต่างคนต่างถือขัตติย ม, มานะจันทรคุปไ ม, ม่ยอมเคารพอเล็กซานเดอร์อเล็กซานเดอร์ก็สั่งจับจันทรคุปเลยเลยแทนที่ได้สมคบร่วมกันตีอินเดียก็เลยเลิกกันกลายเป็นจับจันทรคุปขัง แล้วก็มีนิยายว่าจันทรครุปทํทำไงไม่รุ้นหนีมาได้นะเรื่องยาวเลยเป็นนิยายไปเลยทีนี้ฝ่ายอเล็กซานเดอร์นี่ในหนึ่งนะว่าขุนทัพทั้งหลายเหนื่อยเพลียท้อบอกรบมาไม่ไล้หยุดเลยพอสักทีไม่ยอมรบอเล็กซานเดอร์ก็เลยยกทัพกลับอเล็กซานเดอร์มาก็3รยยีปีก่อนคริสตศักราชก็คือสมัยปู่พระเจ้าโศก อเล็กซานเดอร์ตับจากที่ไหนก็ตั้งแม่ทัพข้างตัวครองเป็นกษัตริย์อยู่ในดินแดนนั้นก็เลยมีกษัตริย์กรีกปกครองโยนกตลอดดินแดนอัฟกานิสถานไปจนโปเซียไปจนอียิปต์ที่ว่าตอนนั้นเป็นของกรีกหมดแล้วกลายเป็นอารยธรรมกรีกวัฒนธรรมกรีกแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ยชื่อซีเรีคัสสืบราชวงศ์มาถึงสมัยพระเจ้าโศกก็ติดต่อกัน แล้วก็ที่อียิปต์นั่นแม่ทัพใหญ่ชื่อโทเลมีโทเลมีก็ตั้งราชวงศ์โทเลมีขึ้นครองประเทศอียิปต์อียิปต์ก็มีเมืองใหญ่ชื่ออเล็กซานเดรียคือพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ยท่านลบชนะไปทางไหนท่านจะตั้งชื่อเมืองไว้เป็นอนุสรณ์ขันทนเรียกว่าเมืองอเล็กซานเดรียที่อินเดียก็มีประมาณ3เมืองอเล็กซานเดรียแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเรียกเลยเพราะว่าทางมุสลิมเขาเปลี่ยนหมดแต่ว่าไปสืบประวัติดูได้ อเล็กซานเดรนี่เยอะทนี้อเล็กซานเดรียก็อยู่ที่อียิปต์ด้วยเป็นศูนย์กลางอารยธรรมกรีกเพราะว่าราชวงศ์ทโรมีนี่เป็นราชวงศ์กรีกปกครองอียิปต์มานานเนเลยตั้งแต่ปู่พระเจ้าโศกมาจนกระทั่งมาถึงพระนางคลีโอพัตราคลีโอพัตรานี่ก็คือเลรนเหรนเหรนของพวกโทเลมีโอรสของพระนางคลีโอพัตราก็โทเลมีเหมือนกันและคลีโอพัตราก็เป็นสิ้นสุดของราชวงศ์ทเลมีเพราะแพ้แกโรมัน โรมันก็เข้าปกครองกรีกนี่คืออารยธรรมกรีกแพรโรมันโรมันก็เข้าท้องดินแดนของกรีกแล้วก็สืบต่ออารยธรรมกรีกมาเอาแล้วเรากลับไปที่อินเดียพระเจ้าอ็กซาเดอร์กลับไปพระเจ้าจันทรคุปก็ต้องช่วยตัวเองจงาันทลคุปปู่พระเจ้าโศกเนี่ยก็ลบจกนกระทั่งปราบราชวงศ์นันทาลงได้จันทละคุปก็ขึ้นตั้งราชวงศ์ใหม่เรียกราชวงศ์โมริยะหรือมอริยะ สันสกิเรียกว่าเริยะบาลีเรียกว่าโมริยะโมริยะเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่อยู่ในวงพระญาติของพระพุทธเจ้าก็สืบสาวกันน่าจะเป็นว่าตอนที่พระเจ้าวิทูตพระยกทัพจากสาวสถีแผ่นโกศลไปตีกษัตริย์ศักยะล้มราชวงศ์สักยะฆ่าหมดก็มีพวกศักยะส่วนหนึ่งหนีไปได้ไปอยู่เชิงเขาอิมาลัยแล้วก็สืบต่อกันมาแล้วพวกนี้พวกหนึ่งก็มาเป็นต้นสายของพวกพระเจ้าอาโสมเนี่ย ใ น, นพระเจ้าอาโศกนีมก็อาจจะสืบสายมาเป็นพญาติของพระพุทธเจ้าด้วยเอาว่าอย่างนั้นนะอันนี้ก็สันนิษฐานกันไปโมริยะกษัตริย์ก็มาอย่างเงี้ยไปอ่านว่าพระเจ้าจันทรครุบนี่ก็ตั้งวงโมริยะกษัตริย์ขึ้นมาครองอินเดียที่ยิย่งใหญ่มากจันทรครุบมีโอรสชื่อพินทุสานพินทุสานก็แผ่อำนาจตอบพินทุสารมีโอรสชื่ออโศกพระเจ้าอาโศกนี่ก็เป็นหลานของพระเจ้าจันทร ค, รคุบอโศกจะขึ้นเป็นใหญ่มีพี่น้องต้องเป็นร้อย ก็ฆ่าพี่น้องหมดเลยทีนี้ก็แผ่อำนาจรบใหญ่จันทรคุบนี่ก็เก่งแล้วนะรบชนะแม่ทัพของพระเจ้าเลนะ็กซอนเดอร์ซีริลคัสที่แถวแถวกันดาหากันดาหานะ่ะดิกชนนรีสศรษกิจเขาบอกว่าเลือนมาจากคำว่าคันธาระกันดาหาก็คือแคว้นคันธาระเคยได้ยินไหมคันธาระก็เป็นแคว้นใหญ่มีเมืองหลวงชื่อตักกัลา ที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ไปตั้งทัพหมายจะเข้าตีอินเดียแล้วก็ถอยกลับจากตากาศิลานั่นแหละกันดาหาแคว้นคันธาระก็ตกเป็นของกรีกเป็นของอเล็กซานเดอร์หมดซิลิวคาสก็รบกับพระเจ้าจันทราคุบจันทราคุบรบชนะทำสัญญาสงบศึกกันดินแดนแถบนี้กันดาหา้าคันธาระเนี่ยก็เลยกลายเป็นของพระเจ้าจันทราคุบแล้วมาถึงพระเจ้าอาโศกก็รบต่อแผ่อำนาจไปทางใต้มาทางโอริสสาที่วันเป็นแควนกาลินคะ แล้วต่อมาก็เปลี่ยนเป็นนับถือพุทธศาสนาก็เลิกรบหมดพอเลิกรบหมดก็บำรุงประเทศชาติเป็นการใหญ่บำรุงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสร้างถนนหุนทางสร้างโรงพยาบาลสร้างแหล่งน้ําอะไรแต่อะไ ร, ะะไรเรียกว่าทำํำจากเรื่องของการบำรุงความสุขของประชาชนแล้วก็ให้การศึกษารสร้างวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาของประชาชนแล้วก็ทําศิลจาริกเพื่อบอกว่าอะไรที่ทางนโยบายของรัฐต้องการเช่นว่า ไม่ให้มีการฆ่าสัตว์บูชายันก็เขียนไว้ในศิลาจารึกเลยจะให้ประพฤติปฏิบัติต่อกันยังไงไงก็เขียนศิลาจารึกไว้แต่ว่าพุทธศาสนานี้ไม่เบียดเบียนใครนะไม่มีการไปทําร้ายพวกพราหมณ์ก็มารับราชการอยู่ในราชสำนักเป็นที่ปรึกษาอะไรต่างมาเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ทีนี้พระเจ้าอาโศกเนี่ยแม้จะให้ความพอถ้ำพวกพราหมณ์ก็ในฐานะปัญญาชนผู้รู้อะไรแต่ไม่ได้ให้เกียรติพิเศษในฐานะวันนะพราหม์ แล้วที่สําคัญพระองค์ประกาศห้ามการบูชายันญด้วยชีวิตอันนี้กระเทือนศาสนาพราหมณ์อย่างยิ่งในศิลาจารึกพระเจ้าโศกจะเห็นหลายแห่งเลยบอกว่าในถิ่นนี้ห้ามไม่ให้มีการฆ่าสัตว์บูชายัญศิลาจารึกพระเจ้าโศกเยอะไปหมดก็ไปอันว่าบูชายัญด้วยท่าสัตว์ไม่ได้แล้วการบูชายันญนี่คือเรื่องใหญ่ที่สุดของศาสนาพราหมณ์ ผลประโยชน์ของพราหมณ์อยู่ได้โดยการบูชายันหนึ่งวันณะสี่เป็นเรื่องของยศสถานะความยิ่งใหญ่สองบูชายันเป็นเรื่องผลประโยชน์และทั้งสองอย่างนี้ประกอบกันก็หมดเลยพราหมณ์นี่หมดความหมายพราหมณ์ก็เป็นคนคนหนึ่งอยู่ที่ว่าตัวจะมีคุณสมบัติมีความเก่งทางปัญญายังไงก็ทําไปตามนั้นพราม์ตั้งตัวไม่ติดตอนนี้พราหม์ชักแคนมากแล้ว เอาละพอหลังพระเจ้าอโศกก็คิดกันมากทำยังไงจะกําจัดพุทธศาสนาลงได้ก็เลยประมาณหลานหรือเหลนพระเจ้าอโศกพราหมณ์ซึ่งรับราชการอยู่ในราชสำนักก็คบคิดกันขณะที่มีพิธีสวนสนามหลานหรือเหลนพระเจ้าโศกกําลังมีพิธีสวนสนามอยู่พราหมณ์ก็จัดการปลงพระชนเลยพราหมณปลงพระชนหลานพระเจ้าโศกเสร็จ ล้มราชวงศ์โมริยะหรือเมวริยะลงแล้วตั้งวงกษัตริย์ใหม่เอาพราหม์ขึ้นเป็นกษัตริย์เองเลยพราหม์ที่รับราชการเป็นใหญ่นั่นนะ่ยตั้งตัวขึ้นเป็นกษัตริย์ตั้งราชวงศ์ใหม่ชื่อราชวงศ์สุงคะเป็นราชวงศ์พรามณพอตั้งตัวขึ้นเป็นใหญ่เป็นกษัตริย์เสร็จเอาทันทีฟื้นพิธีบูชาหยันทําพิธีอสโเมติตพิธีบูชาหยันที่หลับไหลซบเซามาตลอดยุคพุทธศาสนาก็ขึ้นมาใหม่เลย แล้วก็ให้ฆ่าหัวชาวพุทธเลยกําจัดแต่ว่าราชาอาณาจากักรพระเจ้าโศกเนี่ยยิ่งใหญ่ทั่วอินเดียหมดใหญ่ยิ่งกว่าแผ่นดินอินเดียปัจจุบันพวกราชวงศ์สุขะไม่สามารถจะคุมแผ่นดินไว้ได้อาณาจักรก็แตกออกหมดทีนี้พวกที่แตกไปนี้ก็นับถือพุทธเป็นส่วนใหญ่ราชวงศ์สุขะก็เของตัวนี้กําจัดพุทธแต่ว่าพุทธศาสนาตอนนี้กระจายไปทั่วแล้วกําจัดไม่ไหว พราหมณ์ก็ต้องหันมาพยายามปรับปรุงตัวเองนี่คือจุดเริ่มเขานับกันคร่าวๆว่าตั้งแต่ศตวรรษที่สก่อนคริสต์ศักราชนี่คือยุคพระเจ้าโสมยุคพระเจ้าอโศก ค, คือศตวรรษที่สามก่อนคริสต์ศักราชในมา่กิบยุคพุทธศาสนานเริ่มตั้งแต่500ปีก่อนคริสต์มาจนถึงตอนนี้200กว่าปีก่อนคริสต์ศักราชศาสนาพราหมณ์ก็ตั้งตัวใหม่แล้วในด้านของศาสนานก็พยายามปรับปรุงตัว ตอนนี้แหละเริ่มยุคใหม่ยุคศาสนาพราหมณ์ถือว่าสิ้นสุดหรือยุคศาสนาพระเวทสิ้นสุดต่อไปนี้เขาเรียกว่าคลาสสิคัลฮินดูอิซึมศาสนาฮินดูยุคคลาสสิกเริ่มตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่สามก่อนคริตสต์ศักราชมาจนถึงคริตสต์ศตวรรษที่เจนะ็ดเท่าไหร่ละนานต้องในเราพันปีเนี่ยทั้งหมดนี่เป็นยุคฮินดูคลาสสิก ฮินดูก็ปรับปรุงตัวเป็นการใหญ่เลยตอนนี้พุทธศาสนายังยิ่งใหญ่หลังจากพระเจ้าอาโศกแล้วพวกราชวงศ์สุขะก็ไม่สามารถครองนาฏอยู่ได้นานนี่แหละพระเจ้าอาโศกก็ทําให้พุทธศาสนาแผ่ไปทั่วหมดเลยอันนี้อย่างที่ว่าพรามก็เลยล้มวงพระเจ้ า, าโศกลงตอนเหลนเนี่ยแล้วก็ตั้งราชวงศ์สุขะแต่ว่าพวกกษัตริย์อื่นนี่แยกตัวไปได้ตอนนี้กรีกนี่เขายังเป็นใหญ่อยู่นะอนาณาจักรของเขา ที่ตกอยู่ใต้อำนาจของพระเจ้าจันทรคุปแล้วก็พระเจ้าอาโศกอย่างที่บอกแล้วก็แยกตัวออกไปแล้วต่อมาก็มีกษัตริย์กรีกที่สืบสายมาชื่อเมนันเดอร์เมนานเดอร์ก็ได้เป็นกษัตริย์ชื่อมิลินทะในภาษาบาลีชื่อกลีกว่าเมนานเดอร์ฝรั่งเรียกคิงเมนันเดอร์เดอะเกรภาษาบาลีเราเรียกพระเจ้ามิลินทะน่าสังเกตว่า กรีกที่เป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมตะวันตกเนี่ยเขามีนิสัยมาแต่โบราณกรีกนี่ใฝ่รู้จะเห็นว่าแม้เป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์ที่ฝ่ายรู้พระเจ้าเมนานเดอร์นี่ท่านก็ชอบหาความรู้กษัตริย์เมนานเดอร์ก็จึงได้แตกฉานแล้วก็ท้าพวกนักบวชลทัทธิต่างๆมาโต้วาทีแพ้ใท่านหมดเลยเนี่ยพระเจ้าเมนันเดอร์กษัตริย์กรีกกรีกเขามีประเพณีในทางปัญญามาแต่นานแล้ว สขาแสวงปัญญาก็แปลว่าพระเจ้าเมินันเดอร์ก็ท้าพวกนักบวชปัญญาชนทุกพวกมาโตวัตีแพทันหมดพุทธศาสนาในที่สุดส่งพระเจ้ า, าเกษตรไปสู้ตอนแรกเอาไข่ไม่ได้เลยแย่แล้วนึกว่าพุทธศาสนาจัดสุดแน่ก็ได้พระน้าเกษตรพระน้าเกษตรไปโตวัฒนะกับพระเจ้ามิลินทะนี่หรือกษัตริย์เมินันเดอร์ชันทะพระน้าเกษตรโตวัตียังไงพระเจ้ามิลินพอใจหมด พระเจ้ามิลินก็เลยนับถือพุทธศาสนาเขาอุปถัมภ์บารุงเป็นการใหญ่พระเจ้ามิลินกษัตริย์กลีกที่นับถือพุทธศาสนานในราพศ3 5 0ร้อยหถึงห้าร้กกลาดไม่ตรงกันในคมภีร์ของเราบอกพศ .500 แต่ฝรั่งคิดได้ประมาณพศ .350 หรือก่อนคิดศักลาดประมาณร้อเศษร้อได้เอาแล้วนี่ก็เป็นกษัตริย์พุทธมิลินทะยิ่งใหญ่มากแล้วกษัตริย์ยิ่งใหญ่ต่อมาก็กนิสกะ ทีนี้ในช่วงต่อที่อาริยธรรมกรีกอยู่แถวเนี้ยก็เกิดพระพุทธรูปขึ้นมาพุทธรูปแบบแรกจึงเป็นแบบกรีกเรียกว่าแบบคันธาระเพราะคันธาระอยู่ในอานาจกรีกกรีกปกครองคันธาระอยู่ก็นําอาริยธรรมกรีกมาทีนี้ทางอินเดียเน่ยเขาถือไม่สามารถจะปั้นรูปาศาสดาหรือท่านที่เคารพสูงสุดได้อย่างพระเจ้าอโศกเนี่ยจะไม่ทรงทํำพระพุทธรูปเลยพระเจ้าโศกทำสถูปเจดีย์ ศิลาเยอะหมดเลยแต่พระองค์ทําเป็นแค่สัญลักษณ์ที่พระพุทธเจ้าตรัส ร, รู้ก็ทําเป็นต้นโพลแล้วมีแท่นข้างล่างที่พระพุทธเจ้าตอินิพพานก็ทําเป็นต้นสาระแล้วมีแท่นสยญาติอยู่ข้างล่างไม่มีพุทธรูปพระเจ้าโศกทํำอย่างเงี้ยพอมาสมัยพศประมาณ500รกรีกเป็นใหญ่แถวนี้พวกกรีกมานับถือพุทธศาสนาพวกกรีกนี่ชอบปั้นรูปเอาคติของตัวเองที่มาจะ ก, กรีก ก็เลยปั้นพุทธลูกขึ้นมาพุทธรูปแบบแรกก็เลยถือว่าเป็นแบบกรีกเรียกว่าแบบคันธาระจีวรเป็นริ้ว น, นี่ก็เกิดพุทธรูปแบบคันธาระขึ้นมาต่อมาก็มีกษัตริย์ยอดชงยิ่งใหญ่มาจากต่างแดนเป็นปราชวงศ์พวกชาวส ก, กัดส ก, กัดที่มาเป็นต้นกนําเนิดของธรรมศาสตร์ส ก, กะดนี่เป็นชนเผ่าหนึ่งมาจากทางเหนือเข้ามาอินเดียตีเข้ามาแล้วลบชนะก็ตั้งอง์กษัตริย์ กษัตริย์ยิ่งใหญ่ที่สุดของราชวงศ์นี้ชื่อว่าพระเจ้ากนิสกะพระเจ้ากนิสกันี่ก็ครองราชในราวคอศ70ก็ตีสู่พศ600เละพระเจ้ากนิสกะเนี่ย ก, ก็ยิ่งใหญ่มากตอนนี้แหละเริ่มเกิดศาสนาพุทธมหายาณพระเจ้ากนิสกันี้ปกครองอยู่ทางอัฟกานิสถานปากีสถานเข้ามาคือทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียโดยเฉพาะเมืองหลวงเขาพระอกอยู่ที่บุรุษปุระ อยู่ในปากีสถานพระองค์ครองไปจนถึงแถวแม่น้ําคงคาพระเจ้ากนิสกะก็ยิ่งใหญ่มากเป็นกษัตริย์พุทธที่ยิ่งใหญ่ต่อจากพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกอยู่มคตแถบแม่น้ําคงคาอยู่ทางตอนออกกนิสกะนี่อยู่ทางปากีสถานซึ่งอยู่ตอนตกชิงเหนือตอนนี้ศูนย์กลางความยิ่งใหญ่มาอยู่ทางตอนตกชิงเหนือนี่แหละพระเจ้ากนิสกะเป็นผู้ตั้งสกราชคําว่าสกราชมาจากนี เรียกว่าสการฤตสกาตก็คือราชาแห่งชนเผ่าสกฤตพระเจ้าอกนิสกะนี่ก็ตั้งสการาชขึ้นมาสการาชแบบสกะนี่ก็ยังใช้ได้ในอินเดียเอาละพระเจ้กากนิสกะนี้ก็ในเราข้ศ7สเก็อุปถัมภุตุสัตสนามากมีการสังเยตนาพุทธศาสนาะแต่เป็นแบบพิ น, นิจญาณเองนีกายเรียกว่าสารวาสติวาทินและตอนนี้มหายานก็เกิดขึ้น พระเจ้ากานิสกัก็อุปถัมภ์การส่งพระไปเผยแพร่ศาสนาทางด้านจีนทางด้านอาเซียกลางอะไรพวกนี้ยพุทธศาสนาก็ออกทางด้านเหนือมหายานก็แพร่หลายไปเอาละมาถึงพระเจ้ากานิสกะดพุทธศาสนาก็เจริญยิ่งใหญ่ตอนนี้ไขก็ปรับไม่ลงแล้วนี่ศาสนาฮินดูก็ปรับตัวเองขึ้นมาแล้วก็พัฒนาพระเจ้าขึ้นมาใหม่ ก็เกิดเทพเจ้ายิ่งใหญ่ขึ้นมาใหม่ตอนยุคทค้าวสิกันฮินดูนี้เองคือพระสิวะหรือพระอิศวนและพระวิษณุหรือพระนารายนี่แหละพระโพธิสัตว์แบบมหายานก็เกิดขึ้นในยุคนี้เหมือนกันหลังพุทธกาลจังหลายร้อยปีเอาละจบตอนนี้ก่อนเวลาผ่านไปผ่านไปจนกระทั่งมีราชวงศ์ฮินดูซึ่งมีพุทธปนบ้างชื่อราชวงศ์คุบตตัด ราชวงศ์คุปตะก็ถือว่าเป็นยุคทองของอินเดียคศส2 0ถึงคศ550เป็นยุครุ่งเรืองที่สุดของฮินดูคลาสสิกเมื่อกี้บอกแล้วนะคลาสสิกันฮินดูอิซึมศาสนาฮินดูยุคคลาสสิกนี้ตั้งแต่ก่อนคศประมาณ300ปีถึงคริส ต, ต์ศตวรรษที่7ทีนี้ในระหว่างทั้งหมดเนี่ยช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดก็คือช่วงราชวงศ์คุปตะคศ .320 ถึงคศ550ประมาณ200ปีช่วงนี้ราชวงศ์ฮินดูเป็นใหญ่แต่ต้องประนีประนอมกับพุทธศาสนาเอาพุทธศาสนาไม่ลงแล้ถึงจะเป็นกษัตริย์ฮินดูก็ต้องอุปถัมภ์พุทธศาสนาเขาก็เลยเอาหลักของพศาสนาไปใช้ในศาสนาฮินดูเลยคลาสสิกันฮินดูตอนนี้แหละที่นำเอาหลักอหิงสาเข้าไปใช้ชาวฮินดูปัจจุบันไม่กินเนื้อกินผักแต่ศาสนาพราหมณ์เดิมเป็นศาสนาบูชา ย, ยัน ไม่กินได้ยังไงกินสัตว์เต็มที่บูชายนทีหนึ่งหัวห้าร้อยแพ้ห้าร้อยแกะห้าร้อยนี่มาสมัยนี้แหละสมัยคลาสสิกันฮินดูอิซึมยุคคุบจะนี่แหละพยายามกลมกลืนกับพุทธศาสนานำเอาลักษณะพุทธหินและเชนเข้าไปก็เอาไอหิงส า, า, าเข้าไปแล้วก็พัฒนาการไม่กินเนื้อขึ้นมาแข่งกับชาพุทธว่าโอยฉันริงไม่เบียดเบียนใหญ่เลยเอาล้วมาจบกันตอนนี้ก่อน เข้าใจแล้วนะจะได้รู้ทัทีว่าพระวิษณุนารายพระอีศวนศิวะเน่เพิ่งเกิดนี่ยุคนี้ยุคคลาสสิกันฮินดูนานเท่าไหร่หลังพุทธกาลเยอะแยะแล้วใช่ไหมแล้วศาสนาฮินดูก็มากลมกลืนกับพุทธศาสนาพยายามที่จะแข่งด้วยวิธีที่เอาหลักธรรมไปใช้อหลักธรรมก็เอาหิงสาแล้วก็พัฒนาแนวคิดพระพรหมนี่ก็ปล่อยแก่ไปให้หมดอํานาจ แล้วพวกคินดูก็แตกกันเป็นสองพวกพวกหนึ่งก็นับถือพระศิวะเป็นใหญ่เรียกว่าพวกสายวะหรือนับถือพระอิศวนแล้วพวกหนึ่งก็นับถือพระวิษณุหรือพระนารายณ์เป็นใหญ่เรียกว่าพวกไวยสนวะหรือไวสนพพวกนี้ต่างคนต่างก็แต่งตํานานกับตัวเองขึ้นเพื่อให้ใหญ่กับพระพรหมอย่างพวกสายวะก็แต่งตํานานบอกว่าเนี่ยนะพระพรหมเนี่ยเดิมมีห้าเสียนมีพระพักยอดขึ้นไปอีกอันหนึ่งเราอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยพระศิวะ พระศิวะนิตาท่านเป็นไฟเลยนะฮะจ้องไข่เราไหม้หมดเลยทีนี้พระศิวะท่านจ้องที่เสียญพระพรหมอันยอดนั่นแหละเสียนนั่นเลยกระจุยไหม้ไปหมดเลยพระพรหมก็เลยเหลือแค่สี่หน้าหน้าที่ห้าหายไปเหมือนกันเห็นไหมเขาจะให้พระศิวะใหญ่กับพระพรหมแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็เหมือนอย่างตอนนั้นพระอินหมดรัศมีประทีงแล้วใช่ไหมพระอินแย่ไปแล้วพระพรหมใหญ่ตอนนี้พระพรหมแย่แล้วพระศิวะขึ้นมาใหญ่กว่า ฝ่ายพวกนับถือพระนารายก็แต่งตำนานพระนารายบอกพระนารายเนี่ยท่านเป็นใหญ่กว่าทุกเทพหมดวันหนึ่งท่านนอนอยู่ในเกรียนสมุทรเคยได้ยินว่าเกรียนสมุทรกรียนสมุทรกรียนมาจากขีระแปลวนำนมกรมเกสียนรอเรือไม่ใช่กระเสีนนอนเองกระเสียนสมุทรว่รร า, าะะะนนนะะทะเลน้ํานมแล้วก็มีดอกบัวงอกมาจากพระาสดือของพระองค์พลาสดือของพระนารายแล้วบนดอกบัวนั้นก็เกิดพระพรหมขึ้นมา พระพรหมก็เกิดจากพระนารายณ์ทีกลายเป็นพระพรหมเล็กหมดเลยใช่ไหมพระพรหมที่เคยยิ่งใหญ่หมดรัศมีเพิ่งมาหมดรัศมีสมัยนี้แล้วก็เกิดคําใหม่แล้วก็ตรีมูรติเขาก็พยายามที่จะรวมให้ทั้งสามเทพนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็เรียกตรีมูรติตรีสามมูรติแปลว่ารูปสำแดงตรีมูรติก็คือรูปสำแดงสามอย่างของเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ก็คือหนึ่งเป็นพระพรหม สเป็นพระนารายหรือพระวิษณุสเป็นพระอิศวนหรือพระศิวะก็ได้แล้วนะักจะได้รู้จักพระตรีมูรติเพิ่งเกิดเมื่อสมัยคลาสสิกันฮินดูหลังพุทธกาลเยอะแยะแล้วก็มาเป็นใหญ่ปัจจุบันพระพรหมก็เลยหมดรัศมีพระพรหมไม่ค่อยมีความสําคัญแต่เขามีกํากับไว้อันนึงว่าที่เทวสถานใดสร้างรูปพระศิวะอิศวนก็ตามสร้างรูปพระนารายก็ตามไว้เป็นใหญ่ก็ให้สร้างพระพรหมไว้ด้วย แต่ว่าประกอบไม่ได้เป็นใหญ่ตอนนี้เข้าใจแล้วนะได้เห็นที่มาที่ไปสทัทีและพระศิวะนี่นักป่าก็ยังสนนิษฐานบอกที่จริงพระศิวะเนี่ยความจริงคือการฟื้นขึ้นมาของเทพผู้ใหญ่ของพวกอารยธรรมลุมมานาสินทุอารยธรรมลุมมานาสินทุนี่เขาเรียกโมเหนโจดาโรและหารัปะพบสองแห่งเป็นศูนย์กลางใหญ่แล้วอารยธรรมเนี่ยเขาบอกว่ามีเทพเดิมศิวะ แล้วศิวะนี้ก็เลือนหายไปแล้วมาโผล่อีกทีตอนนี้เป็นใหญ่ขึ้นมาในคลาสสิกันฮินดูอิซึมแล้วพอต่อจากคลาสสิกันฮินดูอิซึมศตวรรษที่7ของคริสตศาสนาเมื่อกี้บอกแล้วตอนนี้ก็เกิดศาสนาอิสลามขึ้นในตะวันออกกลางที่ซาอุดีอาระเบียคศประมาณ622อสอคศอเกิดศาสนาอิสลามขึ้นมาพอถึงคศ .700 ออาหรับก็ตีมาถึงอินเดีย ตอนนี้ศาสนพาพราหมณ์เริ่มต้องแข่งกับศาสนาอิสลามอิสลามก็ตีไปถึงอาเซียกลางได้หมดเลยก็เป็นใหญ่แถวนี้หมดแล้วก็ลงมาสู้กับอินเดียอีกนานเลยกว่าจะเอากันลงเนี่ยในที่สุดอินเดียก็ตกเป็นของมุสลิมเป็นของพวกเติกเนี่ยสุลต่านตั้งสุลตานเนตออฟเดลีขึ้นเป็นแห่งแรกแล้วพวกศาสนาก็สูญสิ้นตอนนั้นปศพศพัน700คศ1200 นี่คือสุลต่านของมุสลิมเข้ามาครองแล้วก็เผาทศศาสนาเรียบันนี้พินดูซึ่งใหญ่ขึ้นมาก็เลยต้องสู้กับสาสนาอิสลามตั้งแต่คริสตศตวรที่เจ็ดมานี่คือต่อจากยุ ค, คลา ส, สคนฮินดูก็มาเป็นมอดเดินฮินดูแต่บางทีเขามีขั้นเรียกว่ามีเดีวัลฮินดูอิซึมเป็นฮินดูยุคกลางจังเนี้ยก็คือยุคที่สู้กับอิสลาม พินดูก็พัฒนาลัฐทิประเภทเขาเรียกว่าพักติลัฐทิพักดีขึ้นมามาสู้กับอิสลามนี้ด้วยสาวนไหนพินดูก็มีวิวัฒนาการของเขาเอาละไหนเรารู้จักพระพรหมเราก็ต้องรู้ที่มาของพระพรหมด้วยใช่ไมเล่ามากินเวลาท่านไปเยอะแล้วแล้วค่อยคุยกันใหม่จะได้เข้าใจเรื่องราวงงไหมที่เล่าเนี่ยไม่งงนะดีเข้าใจ คนไทยต้องรู้เรื่องราวเหล่านี้อย่างน้อยก็รู้พอให้ได้เขาจะได้รู้ภูมิหลังของอารยธรรมในถิ่นของตัวเองเอ้าแล้วโมทนาวันนี้เดี๋ยวจะดึกไป